เราศึกษาธรรมะมาบ้างก็คงจะได้ยินนะทำพูดที่ว่าได้กับเสี ย, เ, ยเป็นของคู่กันไม่ว่าเราได้อะไรมาสุดท้ายก็เสียมันไปเป็นเดียวกันนะสารเสริญกับนินทาก็เป็นของคู่กันมีคนสารเสริญมีคนชื่นชมก็มีคนนินทามีคนต่อว่าหรือบางทีก็คนคนเดียวก็ได้แหละนะที่วันหนึ่งสารเสริญ วันต่อมาก็นินทาหรือว่าร้ายรักกับเลิกเนะี่ยก็เป็นของคู่กันพอรักกันสักพักหรือไม่นานก็จืดจางแล้วก็เลิกกันไปสุขกับทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะเป็นของคู่กันคำว่าคู่กันเนี่ยก็มีความหมายหลายอย่างความหมายอย่างนึงคือว่าพอมีสุขแล้ว ไม่ช้าก็เร็วนะทุกข์ก็ตามมาเพราะว่าอะไรเรมก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกับสิ่งที่เราได้มามันก็ไม่เที่ยงคําสารเสวนชื่นชมก็ไม่เที่ยงความรักความผูกพันก็ไม่เที่ยงอันนี้เราว่ามันเป็นไปตามหลักอนิจจังสุขพอมันเสื่อมสลายไป ก็เกิดความสึกทุกข์ตามมาแต่ว่าคําว่าสุขคู่กับทุกข์นี่มันบางทีมันก็ยังมีความหมายอีกอย่างหนึก็คือว่าทุกข์ก่อนนะแล้วก็จึงสุขทีหลังหรือสุขตามมาเมื่อความจริงในชีวิตของคนเราของโลกเนี่ยมันก็ลองสังเกตดูมันก็จะหนีไม่พ้นนะ สุขแล้วก็ทุกข์หรือว่าทุกข์แล้วก็สุขนะเช่นเดียวกับสบายแล้วก็ลำบากหรือว่าลําบากแล้วจึงสบายอันนี้ในชีวิตเนี่ยเราก็ดูได้นะคนที่สุขก่อนรู้สบายก่อนบ่อยครั้งก็มักจะ เจอความทุกข์หรือความย่อดรบากตามมาอย่างเช่นเด็กๆ เ, เนี่ยที่ขี้เกียจโดยนหนังสือนะเอาแต่เล่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นกับคนอื่นนะเล่นเกมออนไลน์มันสบายนะถึงเวลาทำกันบ้านก็ไปรลอกเขา ถึงเวลาสอบก็ไม่ต้องเตรียมตัวสอบนะก็คอยใช้วิธีสุจริตในการสอบเด็กที่ทำแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันสบายหรือว่ามันสุขนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเจอความ้าลลำบาก เพราะว่าไม่มีวิชาความรู้ก็เลยประกอบอาชีพได้ลำบากเพราะไม่มีอาชีพที่มั่นคงเดืออาชีพที่ดีชีพมันก็ลำบากยิ่งขึ้นตามมาเช่นเดียวกันนะ เอากหรือผู้ใหญ่เนี่ยถาออกว่าเอาแต่นั่งนั่งนอนๆอ น, น, อนมันก็สบายนะนั่งดูโทรทัศน์ทั้งวันหรือว่านั่งก้มเล่นโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็สบายจะเรียกว่าสุขก็ได้แต่ว่า พอโตขึ้นนะหรือว่าพอแก่ตัวลงสุขภาพก็แย่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้กันแะล้วนะว่าการใช้ชีวิตแบบนั่งๆ น, นอนๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานแถมพอแก่ตัวก็อาจจะเป็นโรคความจำเสื่อม อันนี้เลยว่าสุขก่อนแล้วจึงค่อยทุกข์ตามมาหรือว่าสบายก่อนแล้วจึงค่อยลาบากเช่เดียวกันนะคนที่เลือกสบายด้วยการกินอาหารตามใจปาก <นะ S 2> เห็นอะไรอยากกินก็กินไม่ว่าจจะเป็นหวานไม่าจจะมันเค็มสบายก็จริงนะแต่ก็ลงเอยด้วยความเจ็บความป่วยตามมา โรคหวัวใจโรคเบาหวานไตาวายเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันแพร่หลายมากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เลือกที่จะดูแลลูกแบบตามใจฉันบางทีไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเท่าไหร่ เอาแต่เที่ยวสนุกสนานหรือว่าอยู่กับโทรศัพท์มือถือถามว่าสบายมาสบายแต่สุดท้ายก็ลำบากเพราะพอลูกโตขึ้นเป็นวัยรุ่นก็สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่อาจจะเก็กเมาเดเกเรหรืออาจจะเป็นคนติดยาเพราะว่าไม่ได้รับความอบอุ่น ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เมื่อจะเกิดเรื่องราฉานทะเลวิวาเกิดความขัดแย้งกันอย่างที่เห็นกันมากมายในเวลานี้นะพ่อแม่ลูกไม่ถูกกันยิ่งพอลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยความขัดแย้งก็รุนแรงตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าตอนที่พ่อแม่ตอนที่เขายังเด็กเนี่ย พอแม่ไม่ค่อยดูแลเขาเท่าไหร่ไม่ยอมที่จะสละเวลาให้กับลูกเท่าที่ควรเช่นเดียวกันนะคนที่เลือกที่จะปล่อยใจไปตามสบายปล่อยใจฟุ้งปล่อยใจลอยมันก็สบายนะตามใจตามกิเลส แต่สุดท้ายก็ไอจิตที่มันที่เราปล่อยไปตามอิสระไม่ฝึกไม่ดูแลเลยเนี่ยมันก็กลับย้อนมาทำร้ายเจ้าของทำให้เป็นคนทุกข์เป็นคนโกรธง่ายเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าคิวิตกกังวล เครียดถ้าคนที่ไม่ยอมที่จะให้เวลากับใจของตัวมันก็สบายนาทีแรกเพราะว่าไม่ต้องฝืนใจทำอะไรก็ปล่อยใจไปตามสบายสุดท้ายใจนี่แหละนาะที่มันหาเรื่องหาทุกมาใส่ตัว ทำให้เต็มไม่ได้ความทุกข์อันนี้ก็รว้แล้วนะแต่เป็นในสิ่งที่มันเชื่อว่าเนี่ยถ้าสุขก่อนเนี่ยนะมันก็จะทุกตามมาถ้าเลือกสบายก่อนนะก็จะเจอความลำบากในที่สุดแต่ถ้าว่าเรายอมทุกข์ก่อนนะ มันก็จะมีสุขตามมาหรือว่าคนที่ยอมลำบากก่อนต่อมาก็จะสบายคนที่ตั้งใจเรียนขยันเรียนนะมีการบ้านก็พยายามทำอดกั้นไม่ไปเที่ยวใครชวนให้ไปเล่นก็ไม่ไปเพราะว่า ยังทำการบ้านไม่เสร็จนะต้องบางทีก็อดตะลัประนอนในการเตรียมตัวสอบถามว่าลำบากมันก็ลำบากนะจะเรียกว่าเป็นทุกข์ก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็สบายหรือเป็นสุขนะเพราะว่าพอมีความรู้มีวิชามก็มีอาชีพที่มั่นคงก็ทำให้ ความเป็นอยู่เนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นอย่างที่มันมีคำเรียกว่าเนี่ยรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสารักดีเนี่ยนะมันก็คือยอมลาบากก่อนเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็หามจั่วนะจั่วมันเบารักชั่วเนี่ยคือว่าไม่ไม่รักดีนั่นเองนะขี้เกียจ ไม่เอาใจใายในการเรียนก็สุดท้ายก็หามเสานะหรือคนที่ยอมนะยอมเหนื่อยแทนที่จะนั่งนอนนอนนอนตื่นสายไปออกกำลังกายวิ่งทุกเช้าถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะบางทีก็อยากจะเลิกนะแต่ว่าเห็นประโยชน์ของมัน พอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นนิสัยกลายเป็นวิถีชีวิตเนี่ยสุดท้ายนยร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมารบ ก, กวนมีความกระปีก้กระป๋ามีกำลังวังชาในหาที่เพื่อนร่วมรุ่นนะเจ็บป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจแต่ว่า เรานี่กับแข็งแรง เ, เดินเถื่นสะดวกเงี้ยก็เรียกว่าสุขนะเรียกว่าสบายลําบากก่อนแล้วค่อยสบายทีหลังหรือว่ายอมทุกข์ก่อนแล้วค่อยมาสุขตามมาเช่นเดียวกันในการกินอาหารนะกินอาหารเนี่ยบางทีก็เลือกที่จะคำนึงถึงคุณภาพของอาหารไม่ได้กินตามใจปากมันก็อดกันนะ อยากจะกินของหวานอยาจะกินพวกขนมเคก้กอยากจะกินพวกเนื้อไม่ได้กินนิดหน่อยกินเยอะๆแต่ว่าก็อดกันไม่กินตามใจปากอาหารก็อาจจะไม่อร่อยอันนี้ก็เรียกว่าลําบากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ร่างกายก็แข็งแรงหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็เพราะไม่มีโรคไม่มีภัยนะเบาหวานโรคไตาวายโรคหัวใจก็ไม่มารบ ก, กวนเท่าไหรนะ่เพื่อนร่วมรุ่นก็เจ็บป่วยกันไปแต่ตัวเองนีนะ่ก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้อันนี้ก็เลยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะสุขที่ร่างกายมันแข็งแรง ซึ่งก็เกิดจากการลงทุนนะยอมลำบากก่อนเช่นเดียวกันนะพ่อแม่ที่ยอมให้เวลากับลูกนะไม่ใช่ว่าเอาแต่เที่ยวสนุกหรือเอาความสนุกสนานหรือทำตามใจไม่รับผิดชอบกับครอบครัวให้เวลากับลูกก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะก็เกิดครอบครัวที่อบอุ่นลูกโตเขาก็มีความรักมีความผูกพันกับลูกกับพ่อแม่ไม่ทำตัวสร้างปัญหาสร้างความปวดเสียนเียนก้าวให้กับพ่อหรือแม่เพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเบรกม่เ ก, กเรสไม่ได้เทเมเ้าหรือว่าทำตามใจกิเล รนะู้จักผิดชอบช่วยดีและผิดชอบตัวเองแล้วก็มีความเคารพรักพ่อแม่เนีายมันก็เป็นกายเป็นความสุขนะที่เกิดจากการนะยอมลงทุนสอนที่เ้ยังเล็กนะที่เกดจาการนคนที่ยอมสู้กับตัวเองมาปฏิบัติธรรม ให้เวลาการเจริญสติทำสมาธิภาวนาไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครๆก็ไปเที่ยวกันใครๆก็ใช้ชีวิตตามสบายแต่ว่าฉันนี่ต้องมานั่งปฏิบัติต้องเจอความเบื่อความเซ็งเวลาเดินจงกรมเวลาเจริญสติคนที่มา ปฏิบัตินี่จะรู้เลยนะว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยเวลามาปฏิบัติก็นึกถึงความสุขนึกถึงอาหารนึกถึงหนังนึกถึงเพลงแต่ก็อดกลั้นไม่ทํารือว่าสู้ตัวเองสู้กับกิเลสแต่ว่าพอปฏิบัตินะจนเข้าที่เข้าทางนะจิตเนี่ยมันได้รับการฝึกอย่างดีมีสติช่วยกํากับมีความรู้สึกตัว เกิดปัญญาความเข้าใจเรื่องชีวิตเห็นความจริงของกายและใจรู้เท่าทันความพิร้เทางอารมณ์มันก็พวกความอิสระพกกับความสงบเย็นเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่ทุกข์เจออะไรมากระทบ ก, ก็ไม่กระเทือนไม่จมอยู่ความเศร้าโศกเสียใจหรือความเครียดหรือ ถูกความโกรธเผาลนุนอันนี้ก็เลยเป็นความสุขนะเป็นสุขที่เกิดจากการที่ยอมลำบากนะเสียแต่ทีแรกนี่เราเลือกได้นะว่าในเมื่อสุขและทุกข์เป็นของคู่กันเนี่ยและส่วนใหญ่เนี่ยสุขมาก่อนทุกข์เมื่อมีสุขก่อนทุกข์ก็จะตามมาหรือถ้าเราเลือกทุกข์ก่อน แล้วสุขก็จะตามมาทีหลังแล้วถ้าเราดูนะถ้าเลือกสุขก่อนเนี่ ย, ถ, ยถ้าเทียบถ้าเียเป็นเป็นคะแนนก็อาจจะบวกสองแต่ทุกที่มันตามมาทีหลังเนี่ยมันอาจจะลบสิบก็ได้นะเช่นนั่งนนอนนอนมันก็สบายมันก็ไม่สบายมันก็สบายอยู่มันก็ไม่มีความสุขมาก แต่พอร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยนะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานนี่โอ้มันทุกมากเลยบวกสองนะคือสุขแต่ว่าลงท้ายทุกคือลบ10เนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยในขณะที่ยอมลำบากก่อนนะอาจจะลบสองแต่ว่าพอสุขตามมานี่มันบวก10หรือบวก8มันคุ้มกันเยอะนะ คนที่ออกกำลังกายยอมเหนื่อยวันละสินาทีครึ่งชั่วโมงแต่พอเข้าวัยกลางคนหรือแก่ชราเนี่ยมันกไ็ไม่ต้องไปเจอกับโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดนะที่ทำให้อยู่อย่างลำบากบางทีนอนติดเตียงหรืออยู่แบบทุพพลภาพยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอ่าเป็นโรคสโตรกหรือว่าหลอดเลือดสมอง กลายเปนเปนมพึกงอมาพาดเพราะว่าไขามันอุดตันในเส้นเลือดหรือเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยว่ามันเป็นความทุกข์สาหัสเลยนะนอนติดเตียงเป็นสิบปียี่สิปีสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานสุขจากการที่กินอาหารนอร่อยหรือว่านั่งๆั่งนอนน อ, น, น, อ น, นี่มันก็แค่บวกสองแต่ว่าพอทุกเพราะ จนต้องเจ็บป่วยนอนติดเตียงเนี่ยหรือพิการเอามาพลิกเอามาผ้ า, า, งาเงี้ยมาลบ10บนะบวก2กับลบ10นี่ยังไงก็ติดลบอยู่นั่นเองในขณะที่ยอมทุกข์นะออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารนะถูกสุกรณะอาจจะลบ2แต่ว่าผลได้เนี่ยคือไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันก็อาจจะบวก8บวก9แลนะถ้าคนที่ เห็นการไก่ฉลาดมีสติปัญญาเราก็ยอมทุกข์ก่อนแล้วก็สุขทีหลังยอมลำบากก่อนแล้วก็ค่อยสบายทีหลังเช่นเดียวกัารปฏิบัติก็เหมือนกันนะเรายอมเหนื่อยยอมเบื่อยอมเซ็งนะไม่ได้ไปสนุกสนานเหมือนคนอื่นเพราะมาภาวนามาเจริญสติทาสมาธิมาเดินจงกรมมาสร้างจงังหวะนะยอม ตัดใจไม่ไปเที่ยวนะไม่ไปเล่นโทรศัพท์นะไม่ไปกินของอร่อยแต่ว่ามันก็ได้ผลที่คุ้มค่านะเพราะว่ามันก็ทำให้ชีวิตในมีความสงบเย็นมีความสุขเจอความผันผวนปนแปลในชีวิตอย่างไรมันก็ไม่ทุกข์มากในอาจคนที่นะครับคนที่ปล่อยใจไปตามสบายไม่คิดที่จะฝึกฝนใจเลยถึงเวลาทุกข์นี่มันทุกข์สาหัสเหลือเกินอกหักก็ทุกข์เศร้าโศก คนรักตายจากก็กลัดกลุ่มหรือว่างานการล้มเหลวก็เครียดนะบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายนะเรียกว่าเอาตัวไม่รอดทั้งๆ ท, ที่มีวิชาวความรู้แล้วก็มีเงินเยอะแต่จิตไม่ได้ฝึกที่เองถ้าเราดูช่วงชั่งคนเรานี่ก็จะเห็นเลยนะก็คือมันสุขก่อนแล้วก็มันทุกข์ทีหลังหรือสบายก่อนแล้วก็ ลำบากทีหลังนั่นคือเวลาเราเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุนเป็นสาวเนี่ยพวกมันสุกนะแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนและเข้าสู่วัยชราเนี่ยมันทุกข์เลยอ่าช่วงช่วงคนเราเนี่ยมันก็เริ่มต้นจะสุกก่อนแล้วก็ทุกข์ตามมาคือพอเข้าสู่วัยกลางคนพอเข้าสู่วัยชราเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมสังขารมันก็ เปล่าบางที่เคยสุขเมื่อกลายเป็นทุกข์ที่เคยสบายก็กลายเป็นลําบากและของพวกนี้เนี่ยนะถ้าว่าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจไว้เลยนะในขณะที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นหรือว่าอยู่ในวัยกลางคนเนี่ยพอเราแก่ชาราเนี่ยเราจะเจอกับความเสื่อมของร่างกายความเจ็บความป่วยที่สามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งทุกกายและทุกใจ แต่ถ้าฝึกใจไว้นะถ้าฝึกใจไว้รวมทั้งฝึกกายด้วยเนี่ยโอ้มันก็ช่วยบรรเทาให้ความทุกเนี่ยไม่ให้รุนแรงหรือถึงจะมีความทุกข์กายถึงขั้นเจ็บขั้นป่วยด้วยโรคร้ายนะแต่ว่าใจที่ฝึกไว้ดีก็ทําให้ไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่อย่าไปหวังเพึ่งเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคนเรามีอายุยืนยาวมาถึงค่าเฉลี่ยนะอายุค่าเฉลี่ยเพิ่มเป็นสองเท่าจาก3าเป็น70หรือจาก40เป็น80แต่การที่คนเรามีชีวิตยืนยาวขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสุขสบายมากขึ้นนะ อย่างาพ ว, ว่าเนี่ย พ, พออย่างที่ไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องอะไรไม่ต้องดูอื่นไกลนะพอคนเรามีอา ย, อายุยืนยาวมากขึ้นเนี่ยมันเจออะไรบ้างนะว่าเจอความเจ็บป่วยนาน า, นานชนิดเลยโรคหัวใจโรคมะเร็งไตาวายและเดี๋ยวนี้โรคอัลไซเมอร์โรคความจําเสื่อมความจําเสือเ่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นี่มันกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนในโลกที่เรา ย, ยุคพัฒนา อันดับแรกโรคหัวใจอันดับที่สโรคมะเร็งอันดับที่สโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ซึ่งพวกนี้ล้วนแต่เป็นโรคเรื้อรังกิยนระยะเวลาเป็น 10- 20ปีเทคโนโลยีทำให้คนเรามีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเพราะอายุยืนยาวก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ยืนยาวเพราะด้วยยืนยาวขณะที่เต็มไปได้วยความเจ็บความป่วยอย่างมี่เขามีการคํานวยว่าเนี่ย เทคโนโลยีทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้น1ปีนะแต่ว่าใน1ปี12เดือนเนี่ยแค่10เดือนเท่านั้นแหะนะที่มีสุขภาพดีคือสบายอีก2เดือนเนี่ยเจ็บป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่คุณภาพชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเจอความเจ็บความป่วยนี่คือสิ่งที่เราได้จากเทคโนโลยี แล้วเมื่อคนที่เป็นโรคร้ายแล้วเทคโนโลยีทําให้ไม่ตายแต่ก็ไม่ได้หายก็พผ ง, งาพผ ง, งาบนะอยู่ในห้อง ICU เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่มีเทคโนโลยีนะก็ตายไปแล้วแต่เทคโนโลยีทําให้ไม่ตายแต่คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเพราะว่านอนติดเตียงนี่กับคนที่เป็นโรครายนะ กัคนนี้ไม่ใช่โรคร้ายแค่เป็นคนแก่ก็เหมือนกันอายุยืนยาวขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่าเจอโรคร้ายนาน า, น า, นานชนิดนะนี่จะไปหวังพึ่งเทคโนโลยีนะมันต้องหวังถ้าจะพึ่งก็ต้องพึ่งใจของเรานี่แหละให้เราสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความพันปนปนแป ล, ล, ล, ล, ล, ลได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ออกกำลังกายก็ดีแล้วนะกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็ดีแล้ว แต่มันไม่พอนะมันต้องฝึกเจ็บฝึกใจด้วยต้องยอมยอมเหนื่อยนะยอมยอมเสียเวลายอมเจอความทุกข์ในวันนี้ระหว่างที่เราภาวนาระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมยอมที่จะอดกลั้นไม่ไปเพื่อเพิ่อกับสิ่งเสพเพื่อที่เราจะได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือสามารถที่จะยกจิตให้เหนือความทุกข์ แล้วก็มีความสุขในร่างกายที่มันแก่ชาราหรือในยามที่ต้องเจอความผลันผวนไปในชีวิต